เงินอิเล็กทรอนิกส์เงินที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรโดยไม่ต้องใช้เหรียญหรือธนบัตรเช่นบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตแอปปาตังพร้อมเพยพร้อมเพยทรูมันนี่วอลเล็ต